ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาให้ของเคี้ยวบ้างของฉันบ้างด้วยมือของตนแก่ชาวบ้านในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐาน